ขอโอกาสครูบายจานครับผมแล้ววันนี้เป็นวันที่วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งมีนาคมพุทธศักราช2554องค์หลวงตาของพวกเร า, เาได้ละสังขารเมื่อวันที่30มกราคมพุทธศักราช2554วันนี้เป็นวันที่หนึ่ง เดือนเสร็จเสรเดือนกับสองวันที่องค์ลงตาและสังขารงานของพวกเราที่เตรียมก็ไปได้ดีก็ไม่มีอะไรมีอุปสรรคก็เมื่อวานนี่ก็มีการประชุมทางผู้เกี่ยวข้องทาง ผ, าผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยทุกหน่วยที่มาร่วมประชุมก็เตรียม ตเตรียมรับมือตเตรียมรับมือด้วยกันทุกหน่วยทุกหมู่ทุกเราต้งฝ่ายคณะสงฆ์ด้วยเพราะว่างานนี้ถึงจะเป็นงานใหญ่แต่ก็ทุกหัวใจเขาคิดว่าคงจะจุดเดียวกันเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนที่รักเคารพในองค์หลว ง, ง, ง, ง, ง, ง, ง, งตาก็ขอให้พวกเราทําด้วยความจริงจังจริงจังและจริงใจอย่างที่คน บอกมาว่าทําไมหลวงพ่ออินพูดทําไมจึงหลับตาทำไหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อพูดออกมาจากใจจริงเอออกมาจากจริงใจและใจจริงไม่ต้องมองข้างนอกออกมาจากใจจริงเพราะฉะนั้นการกระทํางานทุกอย่างเกี่ยวกับองค์หลวงตาแล้วอขอให้พวกเราที่เป็นศิษยานุศิษย์ทั้งหลายถอดใจออกมาคําว่าได้หรือเสียได้เปรียบหรือเสียเปรียบอย่าได้มีในงานขององค์หลวงตา อย่างที่หลวงพ่อตอนที่อาการลงตาอาการลงตาของเราป่วยหนักนทูลกระหม่อมท่านมาพูดคณะแพทย์หลวงพ่อได้ยินหลวงพ่ อ, อยังซึ้งในใจว่าท่านบอกว่าการกระทํากระองค์ลงตานี่ยหรือว่าการรักษาองค์ลงตาเนี่ยคำว่าได้เปรียบเสียเปรียบอย่าได้มีให้ใครว่ายอมเสียเปรียบทุกอย่างเพื่อองค์ลงตาเพื่อเท่าทูนทุกอย่างเพื่อองค์ลงตา เพราะฉะนั้นเมื่อเราทําด้วยความจริงจังและจริงใจถอดหัวใจออกมาเพื่อบูชาพระคุณหลวงตาแล้วนั่นแหะอันนั้นแหะคือเลิศประเสริฐที่สุดหลวงตาปราถนาอย่างนั้นนะแต่แทบๆว่ า, ย า, ยายอยากจะให้สิทธญาณุสิทธทุกหมู่เหล่ามีความพร้อมเพียงสามัคคีกันคําว่าได้คนนั้นเสียคนนี้เสียคนนี้ได้หน้าคนนี้เสียหน้าอย่าได้มีในงานนี้นะ เ, เพราะฉะนั้น หลวงพ่อจึงบอกว่าถ้าว่าผู้ใดก็าตามรักเคารพในองค์หลวงตาถึงขยะก็เก็บได้เออ <c oughs> ถึงจะใส่สูตรมาก็จะเก็บได้ เ, เพราะเหตุไรเพราะเราบูชาพระคุณหลวงตา เ, เรารับในธทำคําสอนขององค์หลวงตาอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลงพ่อเนี่ยทุ่มทุกอย่างเพื่อบูชาพระคุณขององค์หลวงตาเพราะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกกล่าวที่หลวงพ่อพูดทั้งนี้ทางนั้น ไม่ใช่พวกเราแต่แย ก, กสามัคคีกันไม่ใช่เพียงแต่ว่าเขม่งเกี่ยวแล้ขันเกี่ยวให้แน่นเขาอีก เ, อเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวเพราะงานขอ ง, ของพวกเราไม่กี่วันแล้วก็จะจบแล้วนี่วันนี้วันนี้จะเป็นวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งวันที่สี่ก็เป็นการเคลื่อนย้ายสรีระขององค์หลวงตาลงไปสู่เมนจากนั้นก็วันที่ห้าพวกเราก็จะได้ร่วมกันประชุม พระสถานเพลิงศพขององค์หลวงตาของพวกเราจากนั้นพวกเราก็วันที่6ที่เจ็ดพวกเราก็จะได้แยกย้ายกันกลับที่พักพาอาศัยของตนเองเค ห, ส, เคหสถานของตนเองใครใครขาดทุนได้กำไรเไปเช็คอยู่ที่บ้านที่ค่าไปทำอยู่ที่วัดป่าบานตาด ข้าทําไม่ดีอย่างนั้นถ้าทําไม่ดีนั่นข้าโกรธให้คนนั้นข้าโกรธให้คนอย่างนี้ข้าเตะคนนั่นข้าด่าคนนี้นั่นแหละไปเช็คอยู่ที่บ้านตัวเองเนั่นแหละบุญกุศลจะวันนั้นแหละเป็นวันที่จบเพราะอนั้นพวกเราก็มาสู่วัดขององค์หลวงตาให้ใจดีให้ใจเย็นให้ใจมีเหตุมีผลสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าพูดและอย่าทําพอพวกเรามามาที่นี่มามาขุดทองอย่างที่ หลวงพ่อได้พูดได้กล่าววันนี้นขอฝากไว้กับพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเราที่มาทําบุญในวัดขององค์หลวงตาตรงนี้เป็นตรงที่สร้างบุญสร้างกุศลนะพี่น้องประชาชนลูกหลานไม่ใช่จะตรงที่มากอบมาโกยมาสแสวงหาผลประโยชน์ไม่ใช่อย่างที่โคศกเขาพูดเมื่อกี้นี่หลวงพ่อฟังแล้วก็เออใช่วันนี้จะเป็นวันเริ่มบวชนาคแต่นาคพี่น้องญาติพี่น้องบางคน ก็อเอออยากจะทําบุญกับนาคทั้งบวชทั้งหมดเนี่200กว่านาคเนี่เพื่อบูชาพระคุณหลวงตาเนี่ยจะทํำยังไงเออบางคนก็มิตรชายชี่ยวเออเอามาผมจะรับไปให้อย่าไปทําอย่างนั้นนะพี่น้องประชาชนให้เขียนชื่อตัวเองใส่ซองจดหมายแล้วก็ยัดลงไปในตู้บริจาคอย่างที่ว่านั่นนะ <c oughs> เพราะว่าวัดเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดบริหารจัดการบวชทั้งหมด โลกหลานอยจะร่วมทําบุญก็ตั้งจิตอธิษฐานเออข้าพเจ้าทําบุญเท่านี้ เ, ออเพื่อบวชนาคเพื่อบูชาพระคุณองค์องหลวงตาจากนั้นก็หยอดลงไปในตู้เลยเออจากนั้นคณะกรรมการเขาก็จะได้ดูได้ตรวจ เ, ออเพื่อจะให้ไปทางไหนแตถ่ถึงจะไม่ไปทางไหนก็เถิดทำบุญกับองค์หลวงตาแล้วไม่ไปไหนออต้องถึงบุญกุศลจะต้องเข้าสู่จิตใจของพวกเรา ถึงยังไงหลวงตาก็มีพิษในกรรมอีกแล้วว่าทุกบาททุกสตางค์เข้าคลังหลวงคลังหลวงเป็นของใครเนะี่ยเราบูชาพระคุณขององค์หลวงตานะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ทําเพื่ อ, อยังเอิญประกอประกาศให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่ามาทําบุญที่นี่แล้วถึงหมดนะอถึงองค์หลวงตาบุญกุศลก็เข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราถ้าพวกเราทําบาปนะทำสิ่งที่ไม่ดีนะบาปอักุศลก็จะเข้าสู่จิตใจของพวกเรา เกิดพบหน้าชาิหน้ากระทุกอยากลบาบากและจากนั้นก่อนเนี่ยเกิดมาก็เป็นคนขี่ไลยขี่เหละหูหนวกตาบอดไปเรื่อยละ่ะเพราะเหตุอะไรเพราะทำกรรมที่ไม่ดีนะเพราะนั้นพวกเราควรจะมาสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราเนะคณะกษัท้า ย, ย์ญาติโยมโ ล, ลูกหลานวันนี้คิดว่า <c oughs> กดประกันใหญ่อของ <c oughs> อาจารย์กิรวัตรท่านว่าค ง, <c oughs> งจะคงจะเอาขึ้น ทดลองในวันนี้เพราะวันนี้เป็นวันที่หนึ่งแล้วนะอีกหนึ่งสองสามสี่ห้านะ <c oughs> งานของพวกเราเริ่มเขม็งเกี่ยวเข้ามาเรื่อยๆเพราะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะโรงทานต่างๆหลวงพ่อขอประกาศเพราะคลพ่อได้เข้าไปชุมบ่อยครั้งคณะกรรมการเขาก็บอกว่าโรงทานให้สต็อกสิ่งที่จะต้องใช้ภายในหนะึ่งสามสี่ห้าเนี่ยให้เตรียมให้พร้อมเตรียมให้พร้อมนะ อันไหนที่จะขาดตัวปกป้องเตรียมให้พร้อมเพราะจากนั้นไปสามสี่ห้าเนี่ยเขาจะกเขาจะดูแลรถไม่ให้รถเข้ามาเข้ามาในงานเพราะเหตะไรเดี๋ยกวก็จะว่ารถ ล, ลงทานนั้นรถ ล, ลงทานนี้ยุ่งเหยิงไปหมดเลอทำให้รถติดรถ <c oughs> ติดมาในงานเพราะนั้นต้องเห็นใจต่อคณะกรรมการผู้ดูแลดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเพราะนั้น <c oughs> ขอให้พี่น้องประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงทานแต่โรงทานก็มีประโยชน์นะไม่ใช่ไม่มีประโยชน์มีประโยชน์อย่างมากเอถ้าหาว่าคนเราพวกเราไม่ได้ทานอาหารจะเป็นไปได้อย่างไรมีประโยชน์แต่ว่าทุกประโยชน์นั้นคือหลอหลอหลอมให้เป็นหนึ่งเดียวเอให้เป็นหนึ่งเดีย ว, ยนนยวคล้ายๆกับว่าทั้งผู้รักษาความปลอดภัยด้วยทั้งอาหารด้วยทั้งโรงทานด้วย <c oughs> ทั้งพี่น้องประชาชนด้วย สิ่งไหนจ ะ, จะเกิดประโยชน์สูงสุดควรจะร่วมกันทำจุดนั้นคำว่าได้เปรียบเสียเปรียบได้นั้นเสียหน้านะอย่าได้ปีนะันลูกหลานนะค <c oughs> ณะจัดทายญาติโยมทุกท่านนะเรียก ว, ว่าแขก VIP ของหลวงตาข้าเป็นแขก VIP ค่ข้าต้องเข้าไปถึงใกล้ที่สุดถึงจุดนี้แล้ว <c oughs> VIP ก็เถอะนะก็ขอให้ลด VIP ตัวเองลงนะ ขนาดหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อก็จะลดวีไพของหลวงพ่อลงเหมือนกันนะไม่ใช่แต่พี่น้องประชาชนลูกหลานทุกทุกคนนะให้ลดวีไพตัวเองเพื่อบูชาพระคุณหลวงตาวีไพของเรานะ่ยบูชาพระคุณหลวงตาเนี่ยเลิศประเสริฐที่สุดนะยศลดทิฏฐิมานะความอะไรทุกอย่างเพื่อบูชาพ <c oughs> ระคุณหลวงตาเน่ยเลิศประเสริฐนะ <c oughs> พี่น้องลูกหลานทุกคนนะทั้งพูดทั้งไอไปด้วยนะอา้าวแล้วก็วันนี้หลวงพ่อขอแจ้งยอดบริจาคมาถึงวันนี้ตั้งแต่วันที่สามสิบมาถึงวันนี้คณะกรรมการได้ยื่นตัวเลขมาให้หลวงพอ่อหลวงพอ่งพอก็จะได้อ่านประกาศให้พี่น้องประชาชน <c oughs> ที่อยู่ทางไกลได้รับผู้รับทราบนะยอดปัจจัยวันนี้ทั้งหมดที่เมื่อวานเนี่ยไม่ใช่วันนี้วนันเมื่อวานสองร้อย สา9สิบหกล้านเกแสนสามมืเจพันบาท19สตง